น้ำที่ต้มให้ร้อนจนเดือดถ้าเราย่อนมันลงไปเนระือฟักทองเนี่ยมันก็จะอ่อนมันก็จะนิ่มแต่ถ้าเกิดว่าเราย่อนไข่ลงไปนะ ในน้ำเดือดไข่มันไม่นิ่มนะไข่มันก็จะแข็งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคงเคยเห็นแต่ก็ถ้ามาคิดดูมันก็แปลกนะว่าน้ำก็ร้อนเหมือนกัน แต่ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยพอโดนน้ำร้อนแล้วมันนิ่มอ่อนแต่อีกอย่างโดนน้ำร้อนเหมือนกันแต่มันแข็งที่จริงเนี่ยถ้าคิดแบบสา ม, มัญสําเนึน้คือว่าของที่เจออย่างเดียวกันสิ่งเดียวกันมันก็น่าจะได้ผลเหมือนกันนะแต่ว่า ในกรณีนี่มันผลตรงข้ามนะเจอร้อนเหมือนกันแต่ว่ามันนิ่มนิมส่วนไทยนี่แข็งเป็นเพราะอะไรนะก็เป็นเพราะสองอย่างนี่มันไม่เหมือนกันแม้จะเจอปัจจัยเดียวกันความร้อนแต่ถ้าหากว่า มีคุณสมบัติต่างกันมันก็ให้ผลต่างกันด้วยคุณสมบัติอันนี้ก็เราเรียกว่าเป็นปัจจัยภายในก็ได้นะที่จริงมันก็เปรียบได้กับคนเหมือนกันนะความยากลำบากนะอาจจะทำให้คนคนหนึ่ง อ่อเหี่ยวท้อแท้แต่มันกับท่าอีคนหนึ่งนี่เข้มแข็งนะแข่งกล้าความยากลำบากนะเรียกว่า ลำบากไปทุกอย่างถูกภัยคุกคามอาจทําให้คนคนหนึ่งกลายเป็นคนเห็นกับตัวเอาตัวรอดแต่ว่ากลับทําให้คนคนหนึ่งเขามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากขึ้นก็ได้ มีเรื่องราวว่าในสมัยสงครามที่สองเนี่ยในค่ายนค่ายนรกของนาซีเนี่ยที่จับชาวยูไปไปเรียกว่าไปกักขังใช้แรงงานเย่ยง่าตแล้วก็เต็มไปด้วยความยากลำบากไห้ชาวยูจำนวนมากที่ถูกคุมขังก็ เรียกวต้องต่อสู้ตัวรอดบางคนก็ยอมไปเป็นเครื่องมือของผู้คุมนะคอยสอดส่องดูแลคอยสอดส่องให้ข้อมูลของเพื่อนที่ถูกคุมขังด้วยอันนี้ก็เป็นอย่างนี้กันเยอะนะยอมเชื่อฟังบางทีถึงกับไปบอกข่าวว่าเนี่ยมันมีเพื่อนกําลังจะหนีออกจาก ค่ายนะไปบอกคาให้กับผู้คุมนะซึ่งก็เป็นคนละพวกกับตัวแต่ว่าก็ต้องทำเพื่อเอาตัวรอดแต่เหตุกันในค่ายมันก็มีบางคนที่เรียกว่ายังมีความเป็นยังรักษาคุณธรรมอะไรได้ได แม้จะเดือดร้อยแม้จะลําบากไงก็ยังมีอาหารไม่พอกินยังไงก็ยังเอื้อเฟื้อแบ่งปันให้กับคนอื่นตัวเองก็พายพร้อมแต่ถ้าเห็นคนอื่นเขาลำบากกว่าก็เอาขนมปังที่มีอยู่ให้นอันนี้คนเราแม้ว่าจะเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากเหมือนกัน แต่ทำไมบางคนเองแั่ตัวแต่บางคนมีน้ำใจเ อ, อื้อเฟื้ออันนี้มันก็คงเพราะว่าข้างในใจของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนี่เรามองต่อไปนะว่าสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์เช่นความแก่ความเจ็บ ความพัดพลากการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักการพัดพลากกับสิ่งที่รักเนี่ยสิ่งนี้นเรียกว่ารมนแรงว่าความทุกข์นะหรือบางทีก็เรียกว่าอ น, นิถารมนะอ น, นิถารมเหตุการณ์ที่เป็นลบเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจมันก็ไม่ได้แปลว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทาให เราเป็นทุกข์เสมอไปนะมันขึ้นอยู่กับว่าข้างในใจของเราเนี่ยเป็นอะไรนะคนบางคนเจอเนะเจอความสูญเสียเจอว่าภาพก็กลุ่มอกกลุ่มใจตีโพยตีพา ย, ตพยแต่คนบางคนพอเจอแล้วนะก็กับได้คิด แล้วก็กับได้ประโยชน์นะจากเหตุการณ์เหล่านั้นอันนี้มันก็เป็นเรื่องเดียวกับที่ว่านะคนเราเนี่ยจะสุขหรือทุกข์เนี่ยมันก็อยู่ที่ใจนะมันไม่ใช่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา เหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นแต่ว่ามันกลับกลายเป็นของดีนะสำหรับคนคนหนึ่งแต่ว่าเป็นของแย่สำหรับคนอีกคนหนึ่งมันอยู่ที่ใจอยู่ที่คุณภาพภายในแต่ว่านี่เป็นความจริงนะที่คนมักจะมองข้ามคนส่วนใหญ่ คือไปคิดว่าฉันจะสุขหรือทุกข์แม่ก็อยู่ที่สิ่งภายนอกฉันจะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกเช่นคนรอบข้างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจภาวะการเมือง เช่นทอทุกนี่ก็ก็จะไปโทษว่าเนี่ยเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีเป็นเพราะคนแวดล้อมทำตัวไม่น่ารักลูกไม่ดีเพื่อนไม่ดีก็ไปโทษว่าเนี่ยเรานี่แหละคือสาเหตุตัวการที่ทําให้ฉันทุกข์ นี่จริมไม่ถูกต้องนะเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเราเลือกจะเป็นอะไรนะเราเลือกจะเป็นเป็นมันหรือฟักทองหรือว่าเลือกจะเป็นไข่นะถ้าเราเลือกเป็นมันฟักทองเจอความร้อนมันก็อ่อนนุ่มแล้วก็อา จ, จะเหลวเละไปในสุดนะแต่ถ้าเราเลือกที่เป็นไข่มันก็จะแข็ง อันนี้มันเป็นเรื่องของการสร้างเสริมคุณภาพภายในคนเรานี่มันแตกต่างกับฟักทองไข่ตรงที่ว่าไ อ, อ้ฟักทองหรือไข่ไอ้ฟักทองหรือไข่มันเปลี่ยนแปลงตัวมันเองไม่ได้มาอย่างไงก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่คนเรานี่มันเปลี่ยนแปลงได้นะ เราสามารถจะพัฒนาตนได้ตอนเด็กๆ เ, เราจะเป็นเหมือนนะ้มันหรือฟักทองเจอของร้อนก็ยุย น, ะนิ่มอ่อนหรือเละนะแต่ต่อไปต่อไปเราจะพัฒนาขึ้นมาจนมาทั่งเป็นเหมือนไข่ก็ได้เจอยิ่งเจอความร่างยิ่งแข็ง นี่คือสิ่งที่เราไม่เหมือนกับวัตถุสิ่งของนะเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้โดยเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ใจนะให้มีคุณภาพใหม่ถ้าเรามีใจเรามีคุณภาพใหม่เนี่ยแม้ว่าเราเจออะไร ที่ทำให้คนอื่นเขาหมดเรี่ยวหมดแรงตี อ, อกชอกขัวกินไม่ได้นอนไม่หลับตีโพยตีพายหรือค่าตัวตายได้ซ้ำแต่ทราบเรานี่มันกลับทำให้เกิดความเข้มแข็งจิตใจแกร่งกล้าหรือว่ามีความเมตตากรุณา หรือว่าเกิดปัญญามากขึ้นก็นไดนะ้อันนี้มันอยู่ที่ใจของเรานะที่สามารถจะเปลี่ยนล้ให้กลายเป็นดีได้นะคนืองคนพอเจ็บป่วยเข้าก็กลัดกุ้มใจนะหมดอะไรไตยอยากกับชีวิต นะทำอะไรไม่ได้เลยแต่คนบางคนเขามีความกระตือรือร้นนะพยายามที่ไปช่วยคนนั้นคนนี้ทั้งที่ตัวเองนี่แย่กว่าคนที่ตัวเองกำลังไปช่วยสิแต่การทำชนะก็ทำให้เขานะมีความสุขมากขึ้น และทําให้ความเจ็บป่วยเนี่ยนะมันบีบคั้นจิตใจเขาได้น้อยลงอันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาเองนะแต่เป็นเรื่องที่ต้องสร้างขึ้นมาต้องทำกับตัวเองมีเพื่อนเป็นบาทหลวงนะเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อสัก สีบยี่สิบสาสปีก่อนไปนเยี่ยมลูก1ิคนหนึ่งนะอายุประมาณสิบเจสิบแปดเป็นผู้หญิงแกเธอเป็นโรคโรคพุ่มพวงเป็นโรคที่ภูมิคุ้มกันมันทำร้ายตัวเองเขาก็เป็นหนักมากนะรักษาก็รักษาไม่ได้นะตอนนี้ไปเยี่ยมเนี่ย เธอก็เจ็บปวดทุกทรมานมากแล้วก็บอกกับบาทหลวงว่าทําไมพระเจ้าเนี่ยทําให้หนูเป็นอย่างนี้นะมีความทุกข์มากบาทหลวงก็บอกว่าพ่อไม่รู้ก็ไม่รู้หรอกนะว่าพระเจ้ามีพราประสงอย่างไรถึงทําให้หนูเป็นอย่างนี้ แต่ว่าที่อยากจะแนะนำคือว่าให้สวดมนต์พระองค์แล้วก็ให้แผ่เมตตานะอธิษฐานให้กับเพื่อนคนป่วยที่อยู่ด้วยกันด้วยแล้วก็ให้รูปธรรมไปอะไรก น, นั้นบาหลงก็มีกิจตุลาต้องไป ต้องไปอีสานนะไปทำงานสมัยนั้นยัไม่มีโทรศัพท์มือถือนะก็ขาดการติดต่อไปเป็นเดือนกลับมากรุงเทพก็ไปเยี่ยมลูกศิษย์ก็บอกว่าเธอเสียชีวิตแล้วแต่ว่าสิ่งที่แปลกใจแล้วก็ประทับใจคือว่าเพื่อนคนป่วยที่อยู่ในหอผู้ป่วยด้วยกันเนี่ย กับผู้ชื่นชมเธอประทับใจเธอบอกว่าเนี่ยเธอหลังจากที่บาดหลวงนะไปเยี่ยมแล้วเนี่ยวันละเอียดนั้นเธอก็ลุกขึ้นมาแล้วก็พยายามไปช่วยเหลือดูช่วยเหลือให้กําลังใจเพื่อนผู้ป่วยบางทีก็ไม่รู้จักกันนะแต่ว่าเธอก็คอยดูแลช่วยเหลือพาไปห้องน้ําบางทีก็เติมน้ําอะไรให้ ทังที่อาการเธอก็หนักกว่าคนอื่นได้ซ้ำถ้าเธอทงทำมาจกนกระทั่งเธอทําไม่ไหวและวันที่เธอตายเธอก็ตายสงบก่อนช่วงที่ยังไม่ตายก็ช่วยเหลือก็มีขมันนะดูแลเพื่อนมีความมีรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยเพื่อนผู้ป่วยด้วยกันถึงเวลาจะตาย ก็ตายสงบบาลุงฟังก็รู้สึกออภาพที่สิ่งที่คนอื่นเล่าเนี่ยเกี่ยวกับลูกเสียงเธอวันนี้มันไม่เหมือนกับมันแทบแตกต่างกับก็แตกต่างซึ่งเชิงกับวันที่บาลุงไปเยี่ยมวันที่บาลุงไปเยี่ยมนเธอไม่ไหวหเธอตีโพยตีพายทุกทรมาร์เลยเกินแต่ว่า สิ่งที่คนไข้คนอื่นเล่าให้ฟังเนี่ยเธอก็มีมีกําลังใจมีมีเรื่อวมีแรงเ อ, อื้อเฟื้อผู้อื่นไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเองนะแต่ว่านึกถึงผู้อื่นที่อย่าเมืเกี่ยวข้องกับการที่เธอเนี่ยจากคนที่หมดอะไรยตา ย, ยาคนที่หมดหวังคนที่ทุกขทรมานกลายเป็นคนที่มีเรื่อวมีแรง นะมีรอยยิ้มให้ผู้อื่นเนี่ยและสุดท้ายก็ตายสงบนเนี่ยมันก็เป็นพ่อเธอพยายามที่จะทำในบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่เคยนึกถึงนะก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นพอช่วยเหลือผู้อื่นเข้าเนี่ยนะนึกถึงคนที่เขาเดือดร้อนคนที่เขาทุกข์เนี่ยมันก็มีผลทำให้ เธอกรัดกลุ่มน้อยลงมีเรื่องมีแรงมีกําลังใจมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าพอนึกถึงคนอื่นความทุกข์ของตัวเองก็กลายเป็นเรื่องเล็กลงนอันนี้เป็นเเปเป็น็นนผลอย่างเนเป็นธรรมชาติอยู่หนึ่งนะคนเราพอคิดถึงความทุกข์ของผู้อื่นเนี่ยความทุกข์ของตัวเองก็ลดลงข้อที่สองนี่พอได้ไปช่วยผู้อื่นเนี่ยมันก็เห็นคนอื่นก็มีความสุขตัวเองก็พอยมีความสุข ความสุขนั้นก็ช่วยทําให้ความเจ็บป่วยมันน้อยลงหรือประการที่สามคือว่าพอได้ถึงคนอื่นแล้วเนี่ยมันเกิดเมตตาไอ้เมตตานี่เข ม, มันก็มีผลในการเยียวยาจิตใจและเยียวยาร่างกายได้เรื่องนี้ว่าชี้เห็นนะว่าความเจ็บป่วยเนี่ยมันสามารถทําให้เรานี่แย่ กัดกรุ่มทุกทรมานก็ได้หรือว่ามันอาจจะทำอะไรเราไม่ได้เลยก็ได้อาจจะทำได้แค่กายนะแต่ว่าไม่สามารถจะยัดเยียดความรู้ให้กับจิตใจได้อะไรเป็นสาเหตุนะของความแตกต่างนะก็คือทิ่ใจนั่นแหละ เวลาพูดใจนี่มันไม่ได้แปล ว, ว่าเป็นสิ่งที่มาแต่กาเนิด น, นะแต่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาแม้กระทั่งคนคนเดียวกันในยานที่ทุกทรมานเพราะความเจ็บป่วยแต่พอเปลี่ยนนะเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าได้เปลี่ยนมุมมองหรือว่าได้ทำในสิ่งที่ต่างไปจากเดิม ให้ความเจ็บปวดก็ทำอะไรเขาได้น้อยลงน้อยลงน้อยลงอาจจะทำให้อา จ, จะทําแค่กายนะคือในสุก็ทำให้ตายแต่ว่าไม่สามารถทำอะไรกับจิตใจได้หรือทำได้น้อยมากคนเรานี่สามารถที่พลิกนะจิตมันพลิกเปลี่ยนได้เลยนะได้ทันที จากคนที่ตีโพยตีพายกลุงมอบกลุ้มใจพา ย, พ ย, พ ย, พยช่วยเวลาแป๊บเดียวนี่กลายเป็นตาอริยะบุคคลเลยก็ได้อย่างนางกีสาวกตมีที่เสียลูกไม่ยอมรับว่าลูกตายก็ยังอยากจะให้ลูกเนี่ยฟื้นขึ้นมาไปให้ใครต่อใครช่วยทุกคนบอกว่าลูกเธอตายแล้วเธอก็ไม่ยอม แต่ว่าพอได้ไปพบพระพุทธเจ้าและหลังจากที่ได้พบในไม่นานก็จิต ก, ก็พลิกนะกลายเป็นพระโสดาบันหลังจากที่พระองค์ได้แนะนำให้ไปหาไม่ตา ก, กาศจากบ้านที่มีคนตายเพราะถ้าหามาได้นี่จะช่วยชุบชีวิตของลูกเธอให้ฟืน้นขึ้นมาได้เธอก็ไปหามาหามา ทุกบ้าก็มีได้ประกาศแต่ว่าพอถามมีคนตายแล้วก็มีทั้งนั้นเพราคนก็ตายกันที่บ้านเจริน้อยจรรน้อยก็พราว่าความตายนี่เกิดขึ้นกับทุกคนความพลาดพานี่เกิดขึ้นกับทุกคนก็อย่าละความตายของลูกได้เอาลูกไปเผาเสร็จก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพ่ม ก, ก็แสดงธรรมสั้นๆ แค่สงสามประโยชน์ว่าความตายย่อมพัดพาผู้ที่หลับไหลผู้ที่หลงไหลในลูกในซักเช่นเดียวกันน้ำป่าที่พัดพาผู้ที่หลับไหลนางกิสาวยิม พ, พิจารณาตามก็บรรลุธรรมเลยเป็นพระโสดาบันคนบางคนเสียลูก แล้ชีวิตกับย่ำแย่ลงจนกระทั่งอาจจะถึงขั้นข่าตัวตายหรือไม่ก็เป็นโรคสุมเศร้าแต่คนบางคนการเสรียลูกนี่กับกลายเป็นเหตุทำให้ได้บรรลุธรรมเช่นะนางกิษาก็ตัวมีหรืออย่า ง, างนางปตจาราแต่ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นเองนะมันก็ผ่านต้องผ่านการฝึกฝน ฝึกฝนด้วยตัวเองหรือว่ารู้จักพิจารณาโดยมีใเรนันไม่ช่วยคนเรานี่สามารถจะเปลี่ยนแปลงไปได้ในช่วงเวลาแค่วันเดียวหรือไม่กี่ชั่วโมงก็ได้อันนี้มันเป็นเป็นสิ่งที่มนุษย์นี่มีเหนือกว่าสิ่งอื่นๆนะที่มันไม่มีชีวิต ถึงไม่มีชีวินี่มันมาอย่างไงก็ไปอย่างนั้นแหละแต่คนเรานี่มามืดแต่ไปสว่างก็ได้ฉะ <c oughs> นั้นคนเราช่วยคนเรานี่มันจะสุขหรือทุกข์จะเจริญหรื อ, รอก้าวหน้าเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือว่าเรามีอะไรหรือใครให้อะไรเรามาแต่มันอยู่ที่ตัวเราเอง บางคนเกิดมาจนนะแต่ว่าชีวิตบ้านปลายนะกับเจริญรุ่งเรืองบางคนรวยนะแต่ชีวิตกับตกอับมีเพื่อนคนหนึ่งนี่นะเรียนด้วยกานมา้างแต่อยดสาก็รวยนะรวยมากแกก็เป็นคนที่หัวดีนะแต่ว่าไม่ข ย, ยันเรียน จบไปแล้วก็ไม่ค่อยทํามาทําการอาศัยมรดกของพ่อแล้วก็เที่ยวเล่นถูกคนปลอกลอกโดยพระผู้หญิงปลอกลอกไปจนทั่งเงินก็ค่อยหมดหมดไปขายพอเงินหมดกิจการไม่ดีกิจการเจ๊งก็ขายของเก่ามีของเก่าก็ขายขา ย, ขายที่ขายทองขาย รถขายบ้านตอนหลังก็ป่วยก่อนป่วยนี่ก็เล่นยาด้วยนะเล่นยาก็ทำให้เงินนี่หมดไปเรื่อยๆพอป่วยแล้วก็บว่าไม่มีเงินรักษาแล้วก็ต้องขายอะไรแต่ อ, อะไรไปมากมายสุดท้ายก็ตายแบบไม่เหลืออะไรเลยตายแบบทรมานมาก ตายแบบอนาถาก็ได้นะก็ไม่ถึงอนาถามาเพราะอย่างน้อยก็ยังได้อยู่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชนแต่ก็เธอหมดเนื้อหมดตัวไปแล้วแหละความรวยอาจทํทำให้คนบางคนนี่แย่ลงความจนอาจทํทำให้บางคนนี่ดีขึ้นหรือเจริญงอกงามที่จริงมันก็ ก็ครไม่ต่ายการทาครัวนะการทำครัวเนี่ยแม่ครัวบางคนแม้ว่าของของที่มีเนี่ยเครื่องครัวจะน้อ ย, เ, ยเครื่องครัวจะน้อยนะของก็มีไม่มากแต่สามารถจะปรุงอาหารให้อร่อยได้ค่ะที่แม่ครัวพ่อครัวบางคนเนี่ย กุปกรณ์มีเพียบนะเครื่องครัวรวมทั้งวัตถุ ด, ดิบก็มากมายแต่ปรุงอาหารไม่อร่อ ย, นยคนบางคนเกิดมามีทุกอย่างทั้งครอบครัวทั้งความรู้สติปัญญาแต่ว่าชีวิตกลับลงเอยตกต่ำนะ บางคนเกิดมาอัตคัดทุกอย่างแต่สามารถทำให้ชีวิตเจริเก้เกาวหน้าไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมก็ได้อันนี้จะว่าไปก็เป็นเรื่องก็มันก็ตรงไปเรื่อยกับเรื่องกฎแห่งกรรมนะกฎแห่งกรรมเนี่ยบางคนมาคิดว่าโอ้ยทำไมฉันเกิดมาแย่นะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนพ่อก็ตายเหลือแต่แม่ บางทีตายทั้งพ่อทั้งแม่หรือบางคนเกิดมาก็เจ็บป่วยพิการคนบางคนตัดพ่อต่อว่าทําไมต้องเกิดมาแบบนี้แต่คนบางคนกลับเกิดเรียกว่าเปิดความภากเพียนเพลียถึงแม้จะพิการนะแต่ว่าก็สามารถจะอยู่อย่างมีความสุขสามารถทําให้ประสบความเจริญก้าวหน้า หือแม้จะกำพร้าพ่อกำพร้าแม่ก็สามารถจะต่อสู้กับชีวิตพึ่งตัวเองได้จนกระทั่งเป็นแบบอย่าให้กับคนอื่นเราไม่คนมันไม่คิดว่าเราได้เรามีอะไรอยู่ในมือนะแต่ทิดว่าเราจะทงไงกับสิ่งที่อยู่ในมือเหมืมากกว่ามีคนหนึ่งก็เปลี่ยนมาการเล่นไพ่นะอาจจะบางครั้งก็ได้ไพ่ที่ไม่ดีมา แต่คนบางคนเอาแต่บ่นว่าทําไมสวยอย่างนี้ได้ไพ่ไม่ดีเลยได้สองได้สามไม่มีเอไม่มีแจ็คแมนคิงก็แต่บ่นโวยวายตีโพลตีไพ่ไอแบบนี้เนี่ย <c oughs> เล่ยนยัง ไ, ไงเนี่ยก็แพ้แต่คนบางคนจั่วไพ่ไม่ดีมาแต่ว่าไม่บน่นไม่โวยวายก็พยายามคิดว่าจะใช้ไพ่ที่มือเนมือให้มันเกิดประโยชน์ได้อย่างไรบางทีเอาชนะได้นะ อาชนะคนที่มีไพ่สวยๆอยู่ในมือได้กพราบว่าชีวิตก็เหมือนกันนะบางทีไม่ใช่บางทีอะแม้ว่าเราจะจะได้ไพ่ไม่ดีนะแต่ถ้าเราใช้สติปัญญานะใช้ความเพียรพยายามกับมันพยายามใช้ประโยชน์จากไพ่ในมือให้ให้มีให้ให้ดีที่สุดนยะก็สามารถจะประสบความสำเร็จหรือว่าชนะอุปสรรคได้ อะไรเกิดขึ้นกับเราไม่สาคัญเท่ากับว่าเรารู้สึกหรือเรามองมันอย่างไรได้อะไรมาก็ไม่สาคัญเท่ากับว่าถึงแม้จะได้น้อยแต่ถ้าเราใช้ใมันดีให้เกิดประโยชน์มันก็นะให้อันนี้ส่งมากมายอ ย, อย่างอจกกังกรรมพนนี่ก็เรียกว่าแต่เรียกว่าเคราะห์ไม่ดีก็ได้นะก็ทำให้พิ ก, การแต่ก็อาศัยความพิ ก, การให้เกิดประโยชน์นะ จนกระทั่งเข้าใจธรรมะนะแล้วก็ไม่ทุกข์ก็ได้สุขมากกว่าคนที่มีอวัยวะครบสามสิบสองคนที่มีสุขภาพดีสิคนที่มีสุขภาพดีก็เหมือนคนที่จั่วไพ่ได้ไพ่ที่ดีนะแต่ว่าใช้ไม่เป็นเล่นไม่เป็นอย่างอาจารย์พลก็เหมือนคนที่ได้จั่วไพ่ไม่ดีมาแต่ว่าก็ทำให้เกิดประโยชน์เต็มที่ ตัวอย่างแบบนี้มีเยอะทีเดียวนะถ้าเราสังเกต <c oughs> คนเราจะสุขหรือทุกข์จะเจริญหรือว่าตกตามไม่ไม่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่มีที่ว่าอยู่ที่คุณภาพจิตของเราอยู่ที่การรู้จักใช้รู้จักมองหรือหาประโยชน์นะจากสิ่งที่มี แม่ครัวแม่จะมีของไม่กี่อย่างแต่ว่าปรุงให้เลิศได้นี่เป็นเรื่องของความนี่เป็นเรื่องของกรรมีลยคือเรื่องของความพยายามเรื่องของความสามารถได้ของเยอะแยะแต่ว่าถ้าไม่มีความเพียรมันก็หรือไม่ใช้สติปัญญามันก็หรือไม่ใช้ฝีมือเต็มที่มันก็ออกมากินไม่ได้ ที่เราก็เหมือนกันแต่จเลยหรือเสื่อมจะสุขหรือทุกข์นะก็ขึ้นไม่ได้ชื่อว่าเรามีอะไรหรือเดาได้อะไรแต่ชื่อว่าข้างในใจของเราหรือว่าเราทำอะไรกับมันต่างหากอ่นชารนี้ประเทานี้อะอครับ